การฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจของเรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรา ไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเราก็จะหลงแล้วเราก็จะทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเรามีความรู้คือความจริง ของสิ่งต่างๆเราก็จะไม่หลงและเมื่อเราไม่หลงเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ปัญญาเป็นสิ่งเดียวทั้งเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจได้และต้องเป็นปัญญาทางพระพุทธศาสตร์ศาสนาเท่านั้นถ้าเป็นปัญญาความรู้ทางอื่นเช่นความรู้ในสาขาวิชาแขนงต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแพทยาศาสตร์ ความรู้เหล่านี้จะไม่สามารถนำมาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาเช่นความจริงเกี่ยวกับร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาให้เห็นอย่างท่องแท้ ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายและร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากให้ ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตาย เป็นธรรมดารวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดารวงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่จะสามารถมาดับความทุกข์ ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ผู้ที่มีความรูม้รู้ความจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะสามารถละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและจะไม่ต้องมาทุกกับความแก่กับความเจ็บกับความตาย ถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงการประกอบขึ้นมาของอาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการเหล่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนตัวเราไม่ได้อยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังอยู่ในเนื้อ อยู่ใน อ, อยู่ในกระดูกนี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งที่เราจะได้รับจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะใจของเรายัางไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยาก ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราต้องพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่ความรู้ขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลำดับถึงจะสามารถละความอยากต่างๆและดับความทุกข์ได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะเรียกว่า สุตะเมยะปัญญาคือการได้ยินได้ฟังความรู้จากผู้อื่นเช่นความรู้จากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ความจริงของร่างกายนี้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าพยายามให้เที่ยงใจก็จะทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องไม่เที่ยง ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดพอเราได้รับความรู้ขั้นที่หนึ่งแล้วท่านก็สอนให้เรานำไปพัฒนาขึ้นสู่ความรู้ขั้นที่สองคือการพิจารณาอยู่เนืองเนื่องเพราะถ้าเราฟังเพียงครั้งเดียวแล้วเราหลังจากที่เราฟังแล้ว เราไม่ได้นำเอามาพิจารณาต่อความรู้นี้ก็จะจางหายไปจะถูกความรู้อื่นๆที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆจจตใจของเราก็จะ ลืมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปพอลืมก็เหมือนกับไม่รู้หรือหลงก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งของเราเองและทั้งของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ นำเอาความรู้จริงเกี่ยวกับร่างกายนี้มาคอยสอนมาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองเดังนั้นหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นเพียงอาการสามสิบสองเท่านั้น ไม่มีตัวเราอยู่ในอาการสามสิบสองนี้ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เราก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ความรู้ขั้นที่สองนี้คือความรู้ที่เรา คอยเตือนใจเราอยู่ดเรื่อยๆนี้ก็ยังไม่มีกําลังพอหยุดความอยากได้หยุดความทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความสงบใจไม่มีสมาธิเราจึงต้องเจริญสมาธิกันทําใจให้สงบทําใจโลภให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ พะเมื่อใจเราเข้าสู่อุเบกขาได้ใจเราจะปล่อยความอยากต่างๆได้จะละความอยากต่างๆได้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะสามารถละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ เราถึงต้องพัฒนาปัญญาจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาขั้นที่สองนี้เราเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตาก็คือการพิจารณาจินตาหรือจินตนาการนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาจินตนาการว่าร่างกายของเรานี้ จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นร่างกายอันนี้ผู้ที่เป็นร่างกายอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟนี้เองพอร่างกายหยุดทางาน ดินน้ำลมไฟที่มารวมกันให้เป็นอาการ32สิบสองก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมน้ำก็กลับคืนสู่น้ำลมก็กลับคืนสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟดินก็กลับคืนสู่ดินไปนี่คือปัญญาขั้นที่สองเราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆประกอบ ก, บกับการเจริญสติ เพื่อทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุบเบกขาถ้าใจของเราเป็นอุบเบกขาเมื่อไหร่ใจของเราจะมีกำลังที่จะละความอยากละความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้เราก็จะละความอยากที่อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บ พบกับความตายเราก็จะไม่ทุกข์จะรู้สึกเฉยเฉยไม่หวั่นไหวเราจะสามารถไปอยู่ตามสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนต่อย่างใดเรื่องของความกลัวตายนี้จะไม่มีอยู่ในใจถ้าเราได้ปัญญาระดับขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามายปัญญา ก็คือปัญญาที่มีอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับความสงบของใจต้องมีความสงบด้วยแล้วก็มีความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสองร่างกายนี้ทํามาจากดินน้าลมไฟร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ถ้าเราได้เข้าสู่ปัญญาระดับขั้นที่3ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้นอกจากร่างกายของเราแล้วเรายังจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายได้เราก็จะพิจารณาความเจ็บปวดของร่างกายเหมือนกับความตายของร่างกาย ว่าความเจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงมีมามีไปเวลามาก็จะให้มันไปก็ไม่ได้เวลาไม่มาจะให้มันมาก็ไม่ได้เวลามาก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันถ้าเกิดความอยากให้มันไปอยากให้มันหาย ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจมีปัญญารู้ว่าความเจ็บนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่เที่ยงมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเวลามาก็จะไปห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาไปก็ไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราเกิดความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาและมีสมาธิมีความสงบมีอุเบกขาเราก็จะสามารถสอนใจให้ละความอยากได้ไม่ให้ผลิตความอยากขึ้นมาไม่ให้อยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บจะมีอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไป ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์ความทุกข์นี้ทรมานมากกว่าความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายให้ไปถ้าเรามีมีปัญญาระดับที่สามคือภาวนามมยยะัญยา มีจิตที่สงบมีจิตที่มีอุเบกขาแล้วมีปัญญาที่มองเห็นว่าความเจ็บคือทุกขเวทนาทางร่างกายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็จะสามารถะละความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดยาแก้ปวดสู้ปัญญาไม่ได้สู้ภาวนามยัปัญญาไม่ได้เพราะว่ายาแก้ปวดนี้อาจจะระงับความปวดทางร่างกายแต่ไม่สามารถมาระดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจก็ยังมีอยู่เพราะยังกลัว ความเจ็บป่วยของร่างกายอยู่แล้วก็รู้ว่ายาที่กินเข้าไปก็เพียงแต่ระงับไว้ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวฤทธิ์ของยาหมดก็ต้องกินใหม่ต้องคอยกินยาอยู่เรื่อยๆความทุกข์ใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดของร่างกายก็ยังไม่หมดไปไม่หายไป่ผู้ที่มีภนะาวนาไมยปัญญามีธรรมโอสถ เรียกว่ายายาของธรรมนี่ยาของธรรมนี้จะไม่ได้รักษาความเจ็บปวดของร่างกายแต่จะมารักษาความเจ็บปวดของใจให้หายไปได้ผู้ที่มีภาวนาไมายปัญญาเวลาที่เจ็บ่ข้ได้ป่วยนี่บางทีท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาแก้ปวดใช้ธรรมโอสถใช้ภาวนาไมายะปัญญานี้แ ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแล้วก็อยู่กับความเจ็บไปมันเจ็บไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายเช่นเวลาร่างกายปวดท้องรับรับประทานอาหารเป็นพิษกันป่าเป็นไข้ปวดไปทั่วต้องขับต้องถ่ายก็ปล่อยมันเป็นไปของมัน เดี๋ยวมันก็หมดเลธนเองเดี๋ยวพออาเจียนพอถ่ายอาหารที่เป็นพิษออกมาหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายแล้วร่างกายก็จะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติแต่ใจนี้จะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกทุกไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ถ้าท่านรู้ว่าถ้าถ้ามันจะตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะได้พิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างแน่นอนแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่า อยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตา ย, ไ ม, ไ, ม ไ, มตายไม่ได้อยู่ดีร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของครูบาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งหลายท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกาย น่าใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวกับความตายของร่างกายไม่หวั่นไหวกับความเจ็บของร่างกายเพราะท่านมีปัญญามีธรรมโอสถปัญญาต้องเป็นทปัญญาระดับภาวนาเมาย์ปัญญาเท่านั้นถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายได้พวกเราตอนนี้ก็มีปัญญา พวกเราก็รู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆ เ, เรามีสุตตะมยะปัญญาแต่เรายังไม่มีจินตามยพัญญาหรือภาวนามยปัญญ า, ร า, ญญาเราจะหลงจะลืมอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่พิจารณาอยู่เนืองเนืองอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองพอเราไม่พิจารณาเราก็จะลืม ลืมก็เราก็จะหลงเราก็จะคิดว่าร่างกายของเรานี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราพบกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เนืองๆพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่าเรายัางจะไม่สามารถที่จะหยุดความ ตกดานเพราะเรายัางไม่มีปัญญาระดับขั้นที่สมอย่างน้อยปัญญาระดับขั้นที่สองก็ทําให้เร า, เาไม่ไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นเพราะเราจะรู้ว่าเราจะต้องเจอเหมือนแน่ๆเพราะเราคิดเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะไม่หลงไม่ลืมแต่เรายัางอาจจะไม่สามารถที่จะระงับความ กลัวหรือความทุกข์ที่เกิดจากการได้รับข่าวว่าเราจะต้องตายเช่นถ้าเราไปทําผิดทางกฎหมายแล้วถูกศาลตัดสั่งตัดสินประหารชีวิตเราก็ยังอาจจะไม่ทําใจไม่ได้เพราะเรายังไม่มีปัญญาระดับขั้นที่สามเรายังไม่มีความสงบใจเรายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกา เรามีแต่จินตาไม่ยปัญญาเรารู้ว่าเราต้องตายแต่เรายังทําใจไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ถึงกับตกใจกลัวเหมือนกับคนที่ไม่ได้พิจารณาอยู่เหนีองเนียงพอไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคอะเร็งขั้นสุดท้ายรักษาไม่ได้บางคนนี้ถึงกับฟุบลงไปทันที หมดกำลังใจหมดเรียวหมดแรงที่จะอยู่ต่อไปมีคนเคยมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเป็นอย่างนี้ไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมาแรงนี่ใจนี่มันหายไปไหนไม่รู้มันหมดแรงหมดกาลังที่จะทำอะไรต่อไปแต่ถ้ามีขั้นที่สองอย่างน้อยก็รู้ว่าจะต้องเป็นก็จะไม่ถึงกับ ตกใจหรือหมดกำลังเพียงแต่ว่ารู้ว่ายังไม่สามารถที่จะข่มความทุกข์ที่ยังมีอยู่ในใจได้ก็ต้องเร่งพยายามภาวนาเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นหนึ่งให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ถ้าทำให้ใจรวมเป็นอุบเบกขาได้แล้วจะไม่หวั่นไหว จะไม่ทุกข์กับความตายเพราะใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่ปรุงแต่งจะไม่เกิดความอยากให้ไม่ตายนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามระดับอยู่สามขั้นด้วยกันเราต้องผ่านทั้งสามขั้นนี้ไปขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษา ต้องได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราจะได้ยินเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราจะไม่ได้เรียนจากวิชาความรู้ต่างๆที่เราไปเรียนกันตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยเขาจะไม่สอนเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจะไม่สอนเรื่องอริยรรสัจสี่ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเรา และการจะดับความทุกข์ใจเราต้องละความอยากความอยากจะละก็ต้องเห็นต่อยลังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่มีความทุกข์นี่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว เพราะผู้ที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นความจริงอันนี้เห็นความทุกข์ของใจว่าเกิดจากความอยากเห็นว่าความอยากของใจนี้เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสตับรู้มาเกี่ยวข้องด้วย ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราถ้าอยากให้เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้ที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ถ้าอยากใครอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้อะไรก็ทรงตัดสรู้พระอริยสัจสีตัดสรู้ใจรักตัดสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัดสรู้ว่าความทุกข์ของใจของคนทุกๆคนนี้เกิดจากความอยาก ความอยากที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักนี่เองนี่คือเรื่องของปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาใหญในโลกนี้ที่จะนำพาสัตว์โลกไปสู่การเส้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เอง ถ้าหยุดความอยากได้ความอยากก็จะหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้เมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายทุก็ย่อมไม่มีนั่นเองนืงที่มีบทธรรมที่สแสดงไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตามใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในระดับ ไหนก็ตามระดับสูงสุดเช่นระดับพรหมหรือเทพหรือระดับมนุษย์ระดับบาราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นพรหมก็จะต้องเสื่อมจากพรหมลงมาเป็นเทพจากเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องเสื่อมจากความสุขต่างๆแล้วก็ตายไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นเห็นต้นเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฝังธรรมได้เกิดสุตะมยะปัญญาขึ้นมาว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากการเกิดก็เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเจริญอณิจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ละความอยากถ้ายังไม่มีกําลังละก็ต้องเจริญส ม, มถาภาวนาทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วแล้วมีปัญญาคอยเตือนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะ ละความอยากต่างๆได้จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากเป็นอะไรเป็นอะไรก็จะไม่อยากไม่ให้ไม่เป็นเช่นเวลาแก่ก็จะไม่ไม่อยากไม่แก่เวลาเจ็บไข้ก็จะไม่อยากไม่เจ็บไข้เวลาตายก็จะไม่อยากไม่ตายจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง จะรู้ว่าถ้าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแล้วจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เป็นตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับใจสิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใจไม่ว่าเขาจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมนี้ถ้าใจไม่ได้ไปไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแล้วจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเพราะขาดปัญญาเพราะไม่เห็นว่าเขาเป็นายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รู้ว่าอริยสัจสี่เป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรม ความรู้เหล่านี้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้นําเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่าให้อยู่ห่างไกลจากใจแล้วจะทําให้ไม่หลงไม่ลืมแล้วจะทําให้พยายามที่จะละความอยากต่างๆเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้ายัางละไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่มีกําลังพอกําลังที่จะละก็คือสมาธิยังไม่พอก็ต้องพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้วิธีที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้เป็นผู้ที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากต่างๆของใจได้ชั่วคราวทาให้ใจนิ่งทําให้ใจสงบได้ ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือสติจะทำใจให้สงบได้สติจะต้องแข็งแกร่งต้องมีกำลังมากถึงจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งของใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิเป็นหนึ่งได้การเจริญสติจึงต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิที่ยังไม่มีสติ ต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนถึงเวลาหลับไปควรจะเจริญสติอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้เสริมสร้างกำลังของสติให้มีมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาที่จะคอยผลักดันให้จิตคิดปรงแต่ง ไปตามความอยากตามความโลภต่างๆถ้ามีสติมีกำลังมากพอก็จะหยุดความคิดฝุ่งแต่งไปในทางโลภโกรธหลงได้แล้วก็จะทำให้ใจสงบใจสบายได้การเจริญสติจึงเป็นงานที่สาคัญสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบแต่สำหรับผู้ที่มีความสงบแล้วก็ จเจริญปัญญาพิจารณาตายรักได้เลยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้เลยแล้วพอพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะปล่อยวางได้จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ทั้งๆั ท, งที่รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็แสดงว่ายังไม่มีกําลัง ยังไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาที่จะสัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆจึงต้องเจริญสติเพื่อทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําถ้าไม่มีไม่มีสมาธินี้ปัญญาจะเป็นเพียงสุตตามยปัญญาหรือจิตตามยปัญญาเท่านั้นอยากจะไม่เป็นภาวนามยปัญญา จะไม่สามารถทำใจให้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่สามารถจะนิ่งเฉยกับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้ถ้าไม่มีสมาธิจึงต้องเจริญสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิสมาติสติจึงเป็นธรรมที่สําคัญอย่างมากในการในขบวนการสร้างปัญญา ที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจผู้ปฏิบัติจึงต้องหมั่นเจริญสติอยู่เสมอให้ใจะละลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นละลึกถึงพระพุทธเจ้าเชน่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะละเลิกรู้อยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวของร่างกาย เวลาร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายเวลาที่นั่งสมาธิร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก <c oughs> ็ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เท่านี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรให้สนใจอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมยาวก็รู้ว่าลมยาวลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นตกใจลมหายไปบางท่านก็ อาจจะตื่นตกใจคิดว่าไม่มีลมหายใจเดี๋ยวตายแน่ๆก็พยายามหาลมควายคว้าหาลมพยายามหายใจแรงๆเพื่อให้ได้รับรู้ลมก็จะทําให้จิตที่ละเอียดนั้นถอนออกมาจิตที่กําลังจะรวมเข้าสู่สมาธกิก็จะถูกความกลัวความกลัวตายที่ไม่มีลมหายใจ น, นี้ หนึ่งถอนออกมาผู้พามนาดูลมนี้ไม่ต้องไปวิตกถึงแม้เราไม่สามารถรับรู้ลมได้ก็ขอให้รู้ว่าถ้าเรายังรู้อยู่นี้นั่นกายไม่ตายเพราะลมมันละเอียดแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่หายใจมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะจับมันได้เท่านั้นเองก็ให้รู้ไปเฉยๆเท่านั้นให้รู้ว่าไม่มีลมถ้ารู้เฉยๆ เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วความรู้สึกทางร่างกายก็จะหายไปหรือถ้าไม่หายก็จะไม่มีปัญหาเช่นเวลานั่งแล้วเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายถ้าจิตสงบแล้วถ้ายังรับรู้ความเจ็บของร่างกายอยู่ก็จะรับรู้เฉยๆจะไม่มีอารมณ์ ไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปปล่อยให้ความเจ็บนั้นอยู่ไปได้อย่างไม่เดือดร้อนใจหรือถ้าบางทีรวมลึกๆรวมมากๆบางทีความเจ็บก็หายไปร่างกายความรู้สึกว่ามีร่างกายก็หายไปด้วยแหลือแต่จิตอยู่ร้วนๆเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าสมาธิถ้าจิตสงบว่างอยู่เฉยๆ มีความสุขอยู่ในความสงบนั้นและเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจผู้ที่ได้พบกับความสุขอ น, นี้จะไม่สงสัยจะไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเพราะมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนความสุขต่างๆที่ได้ จากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะสู้กับความสุขที่ได้จากความสงกนี้ไม่ได้เลยถ้าได้ถึงจุดนี้ก็ปล่อยให้ตั้งอยู่ในจุดนั้นไปนานๆจนกว่าจะถอนออกมาเองตอนที่จิตสงบนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ให้มาเจริญตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้ว การจเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ไม่หลงไปรักไปชอบไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเวลาได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะใช้ปัญญานี้ปล่อยวางได้สอนใจว่ า, เ, าเขาเป็นอนัตตา เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้จะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็จะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยถ้ามีเหตุมีผลที่จะให้มีการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆต่อเหตุการณ์ต่า ง, างๆก็จะปฏิบัติไปด้วยเหตุด้วยด้วยผล แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติด้วยความรักความชังความกลัวหรือความหลงถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่สนใจกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ยังรับรู้อยู่แต่รู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยตรายักษ์รู้ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังอยู่ในวิสัยที่จะทําอะไรได้อยู่ก็ทําไปเช่นร่างกายยังประคับประคองให้มันอยู่ต่อไปได้ก็อยู่ไปถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานไปถึงเวลาดื่มน้ําก็ดื่มไปถึงเวลาอาบน้ําอาบถ้าทําทความสะอาดร่างกายก็ทําไป ไม่ใช่ปล่อยแบบว่าไม่ไม่มีการดูแลเลยอันนั้นปล่อยแบบไม่มีปัญญาปล่อยแบบไม่มีเหตุมีผลเรียกว่าปล่อยแบบซื่อบือ้อไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยจริงใจก็ยังยึดติดกับมันอยู่ใจยังทุกข์กับมันอยู่นี่นี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือสุตตะ ม, มยญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังขั้นที่สองก็คือจินตามัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายครยๆอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแลนะขั้นที่สามก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน เวลาพบกับปัญหาต่างๆพบกับเหตุการณ์ต่างๆถ้ามีปัญญาระดับที่สามนี้ก็ใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะใจจะไม่เกิดความอยากเพราะปัญญาจะสอนให้ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าไปอยากให้ไม่เกิดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปก็จะปล่อยวางทุกอย่างเมื่อถึงถึงขั้นที่จะต้องปล่อยวางเมื่อถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเช่นร่างกายถ้าถึงขั้นที่จะต้องตายทำอะไรรักษาก็ไม่หายทำอะไรอย่างไรก็ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย ก็มีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่ามันเป็นธรรมดาเรื่องของความตายและร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวทําไมนี่คือความรู้ที่เราจะได้รับจากการได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วนําเอาไปพัฒนาต่อ ให้เป็นความรู้ระดับขั้นที่สามขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากของเราเองเพราะถ้าเรามีความรู้แล้วความหลงก็จะถูกทำลายไปเมื่อความหลงถูกทำลายไปความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่เกิดความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีในใจต่อไปการปฏิบัติ เป้าหมายก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การสร้างการเจริญปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาละความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปปัญญาจะเกิดขึ้นได้จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องเจริญส ม, มถาภาวนาเจริญสติต้องปีกมิเวกอยู่คนเดียวถือสิงหแปดเพื่อที่จะได้ มีเวลามาเจริญปัญญาถ้าไม่ถือศีลแปด ก, ก็ยังจะถูกกิเลสลากออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสังคมไปสังสรรกับบุคคลต่า ง, างๆก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมาทำใจให้สงบผู้ภาวนาจึงต้องถือศีลแปดต้องเจริญสติต้องปีกว้เวกอยู่ตามลาพัง ต้องรู้จักประมาณในการรับประธานอาหารเพราะรับประทานมากก็จะทำให้เกียจค้านไม่อยากจะภาวนาอยากจะนอนแล้วก่อนที่จะมาถือศีลแปดมาภาวนาได้ก็ต้องถือศีลห้าให้ได้ก่อนเพราะถ้ายัางถือศีลห้าไม่ได้จะมาถือศีลแปดนี้มันก็จะทำไม่ได้ต้องรักษาศีลห้าก่อน เห็นวาจะรักษาได้ใจก็ต้องมีเป็นใจบุญสุนทานไม่โลภโมโทสโทสโไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากร่ำอยากรวยอยากมีพอมีพอกินก็พอต้องใจต้องสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษก็ต้องทำทานทำทานแล้วก็ จัดละความโลภความอยากล่ำอยากรวยแล้วก็จะทําให้รักษาศีลได้แล้วก็จะทําทให้มีเวลามาเจริญศีลแปดมาปิกเว่เวมาทําใจให้สงบได้มาเจริญปัญญาได้การคําสอนของพระเจ้านี้จึงเป็นขั้นเป็นตอนสอนตั้งแต่ขั้นแรกคือขั้นทานขึ้นสู่ขั้นศีลขึ้นสู่ขั้นภาวนา ผู้ผูีปฏิบัติก็ต้องพิจารณาดูว่าสามารถทำในขั้นไหนได้ถ้ายังปีกวิเวกไม่ได้ก็แสดงว่ายังมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งต่างๆก็ต้องหัดลดการใช้จ่ายใช้สอยให้น้อยลงไปเพื่อจะได้ไม่ต้อง เสียเวลากับการไปหาเงินหาทองแล้วก็จะได้มีเวลามาภาวนาได้ถ้าไม่มีเวลาภาวนาก็ฟังเทศไปแล้วก็ได้แต่ฟังกลับไปก็ไม่สามารถที่จะนําเอาไปพัฒนาจากขั้นที่หนึ่งให้เป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่สามได้เพราะชีวิตยังต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ต้องทำงานทำการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นีเ้เวลาที่จะปีกวิเวก็จะไม่มีกำลังที่จะปีกวิเวก็ไม่มีเหมือนกันเพราะความอยากต่างๆก็ยังมีมากอยู่ยังอยากหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่ อ, อยากจะเที่ยวอยากจะไปที่นั่นอยากจะมาที่นี่อยู่ก็จะรู้สึกเวลาไปอยู่ คนเดียวไปภาวนาไปปีกวิเวกนี้เป็นความรู้สึกที่ทรมานใจแทนที่จะเป็นความสุขใจกับเป็นความทรมานใจเพราะมีการมนฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัสต่างๆจึงต้องหัดรักษาศีลแปดไปก่อนทุกวันพระก็เริ่มที่ทุกวันพระไปก่อนวันพระก็ถือศีลแปดวันธรรมดาก็ถือศีลห้า ถ้าได้ผลดีมีกำลังใจก็เพิ่มขึ้นเป็นวันอาทิตย์ละสองวันสามวันเพิ่มไปทีเราเล็กเทียน้อยแล้วก็ออกไปภาวนาได้ไปปีกวิเวกได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็จะไปภาวนาได้ไปปีกวิเวกได้ไปเจริญสติได้ไปเจริญปัญญาได้ <c oughs> นี่คือทรรมต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาวินิจฉัยดูว่า กำลังอยู่ตรงขั้นไหนกำลังมีติดอยู่ตรงไหนแล้วควรจะทํายังไงถึงจะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สูงกว่านี้ได้ถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่รู้ก็จะอยู่ก็จะติดอยู่ที่เดิมไปแล้วก็จะโทษคนนั้นคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ตัเองไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทําที่สูงกว่านั้นได้ความจริงมันไม่ได้คนนั้นคนนี้หรือเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ แต่ความหลงความอยากของเรานั่นเองที่ยังไปหลงไปรักไปชอบเขายังอยากจะอยู่กับเขามากกว่าที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตัดจะทิ้งเขาได้นั่นเองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยยาถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกาบปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเ ป, ปเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามลิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทธะนิจังวุฒาปจายิโน ชาตาโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความสนใจต้องการถามปัญหาก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ ถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามไม่ให้ตอบตอนนี้ถามได้เชิญถามตามสบายพอดีก็ภาวนามาสี่ห้าปีแล้วค่ะพระอาจารย์เ็่ใกล้กลๆใหม่หน่อยไม่ได้ยินใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะสาธุก็ทีนี้ก็ับ ไฟตาภาวนาแล้วก็จะจิตรวมมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะพระอาจารย์บางทีก็เห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็ออกมาก็จะยืนดูตัวเองเอ๊ะทำไมเราไม่อยากได้ร่างนี้เลยทําไมมันถึงเจ็บปวดจังแล้วก็เจ็บนูน้นเจ็บนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็รวมไปเลยสภาพหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ยเราไม่ไปไหนเลยะคะ่ะพระอาจารย์สองสามปีมาแล้วอะคะ่ะจะต้องทํำยังไงถึงจะให้ไม่ต้องมาอยู่ประมาณเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ให้ไป มันเป็นยังไงนะเราไม่เข้าใจ <c oughs> ก็คือค่ะค่ะบอกว่าเวลาเราภาวนาแล้วทีนี้เวลาจิตรวมใช่ไหมคะจิตรวมแล้วก็จะบางทีก็จะเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็จิตก็ออกมาจากร่างไงคะ่ะก็จะยืนตัวเองแบบอมมันทําไมเห็นตัวเองนอนอย่างนี้ก็ไม่ได้อยากได้ร่างอย่างเงี้ยคะ่พะพอาจารย์แล้วก็บางทีก็จะมี เ, ออเดินจงกรมอยู่ดีๆแล้วก็ทีนี้ก็จะเห็น เ, เ, เป็นนิมิตมั่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ จิตรวมก็จะเห็นเหมือนแบบเป็นพญานาคมากอย่างเงี้ยแล้วก็มาขอขอขอกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคก็ให้ให้ให้กินไปเลยแล้ว ก, ก็จิตก็จะรวมไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับคืนมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องพิจนารณาไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ารวมก็คือให้อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเวล า, ามันรวมเป็นยังไงก็เวลารวมก็จะเหมือนแบบเดินตรงกรมอยู่เวลาเขาจะรวมเขาก็ฟุบลงเฉยๆค่ะพระอาจารย์ฟุบตรงไหนฟุบยังไง อธิบายยากเลยก็เหมือนบอกว่ามันรวมพุ่งลงไปเลยแล้วก็จะเห็นแบบเอเหมือนเราแบบเหมือนจริงๆเลยค่ะแต่ตัวเองเดินอยู่แต่ว่าก็อแบบก็จะแบบว่ามันรวมแล้วก็จะเห็นมีมิดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่สกไม่สบายเลยก็ก็รู้สึกว่าเย็นสบายมากเลยบางทีสองามชั่วโมงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถอนจิตกลับมา บางทีก็คิดว่าตัวเองเอาตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดินเข้าไปาในปา่าพญานาคหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาเขาเ ข, <า>ขาบอกว่าขอกินหน่อย <S 1> <S 1> เห็นเรามาภาวนาอยู่นานแล้วก็ทีนี้ก็ อ, อยากอยากกินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูก็เลยเอออยากกินก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็ oi, เลยเดินเข้าไปแล้วก็จิตรวมอยู่สองสชั่วโมงอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นอุเบกขาไหมครอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะปล่อยวางได้ไหมเรืออุเบกขาเนี่ยค่ะ ก็ปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยได้ครับอาจารย์ปยไม่เสียดายไม่คิดหน้าคิดหลังเลยก็เดินเข้าไปให้เขาทานเลยอย่างนี้ค่ะก็ไม่คิดออให้ปล่อยต้องปล่อยตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วที่ปล่อยในสมาธิมันยังไม่รู้ปล่อยจริงหรือปล่อยไม่จริงปล่อยจริงก็ต้องปล่อยตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วก็ก็เดินเข้าไปหางูหาเสือดูถ้าปล่อยจริง อไปอยู่ที่หน้ากลัวที่เปี่ยวดูดูว่าหรือว่ายังกลัวอยู่เปล่าค่ะแต่เป็นนิมิตนะคะพระอาจารย์ก็ออกมาแล้วเราอย่างเงี้ยค่ะใช่นิมิตมันเป็นเหมือนฝันไงมันยังไม่จริงไงนี่ต้องมาทดสอบกับของจริงต้องทดสอบกับของจริงใช่ไหมคะไปอยู่ป่าคนเดียวมี้ยไปอยู่ที่มหน้ากลัวดูค่ะก็ไปภาวนาอยู่กับพระอาจารย์ตันมาสามสี่ปีแล้วค่ะก็อยู่ในป่า แล้วกลัวไหมล่ะไม่กลัวเลยค่ะก็เดินมึนๆเดินจงกรมแล้วกลัวความเจ็บกลัวความตายหรือเปล่าความตายก็ไม่กลัวค่ะแต่เจ็บนี่มันอก็เจ็บอยู่นะพะอาจารย์เจ็บก็กลัวไหมใช่ไหมคะแต่ก่อนกลัวอยู่ตั้งแต่มาภาวนาไม่กลัวแล้วค่ะพระอาจารย์นี้ไม่กลัวแล้วเหรอไม่กลัวค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกลัวหรือเปล่าเก็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กลัวแล้วค่ะพระอาจารย์ก็จะแบบ ดูเฮาอะค่ะก็ะจะพิจารณาดูมันเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยเอ๊ะร่างกายเรามันเจ็บแต่จิตเราทําไมบางทีมันถึงมีความสุขจังอย่างเงี้ยก็พิจารณาดูตรงนี้นะ ค, ะค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เหมือนว่าเราเราปล่อยร่างกายได้ไหมแต่ว่าแต่กลัวตายไหมอย่างเงี้ยก็บางทีเรามาภาวนาก็ไม่กลัวนะพระอาจารย์บางทีไม่กลัวบาง่ะบางทีก็กลัว <laughs> อือพูดผิดไม่กลัวค่ะอาจารย์ ห, <า>หนูพูดผิดไม่กลัวคะ่ะค่ะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายก็สบายเลยก็เหมือนแบบว่าเราปล่อยวางได้ไหมคะอาจารย์ย <c oughs> ก็ยังก็จริงบก็เราถ้าปล่อยได้แล้วมาถามคนอื่นทําไม <c oughs> คนอื่นจะไปรู้เราปล่อยได้หรือไม่ได้ <c oughs> เราต้องเป็นคนรู้เองห<า>เหมือนท่านเราติดกาแฟาแล้วเราเลือกกินได้หรือไม่เลือกกินได้มาถามคนอื่นคนอื่นจะไปรู้อ่ะ พระอาจารย์คะก็ต้องภาวนาไปยังไงคะพระอาจารย์ถ้าเราเห็นจิตรวมบ่อยๆอย่างเนี้ยทําไมถึงจะให้จิตเราแบบกระเตื้องขึ้นได้อีกให้ไปข้างหน้าก็ต้องการละร่างกายละค่ะพระอาจารย์ละความเจ็บละความตายค่ะแล้วก็ละกามอารมณ์ยังมีกามอารมณ์อยู่เปล่าก็เราก็ยังมีครอบครัวอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มาอะไรกันเหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้มากกว่าค่ะก็มีอยู่ครอบครัวอยู่มีอารมณ์หรือเปล่า ไม่ได้อยู่ที่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวคนไม่มีครอบครัวก็มีอารมณ์ได้แล้วก็ต้องมาแก้ที่การอารมณ์ถ้ายังมีการอารมณ์อยู่ก็ต้องก็ต้องทำลายมันให้ได้อย่าให้มีการอารมณ์ต้องออกบวชเลยใช่ไหมพระอาจารย์ก็ไม่ต้องออกบวชเพียงแต่พิจารณาสุภค่ะให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัว มากกว่าง่ายละน่าชอบคอันนั้นก็เจละก็ละได้อยู่บางทีเราเห็นแฟนก็เป็นอสุภะไปหมดเลยไม่อยากใกล้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่อยากใกล้แต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็แยกกันอยู่ไม่ได้นอนด้วยกันนะไม่ได้นอนด้วยกันก็แยกกันอยู่หนูก็ภาวนาวันพระก่อนวันพระหลังวันพระก็ถือศีลแปดก็ไม่มีกิจกรรมร่วมกันนะ อก็แยกกันอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์แยกกันอยู่กันไหนฮะก็ต่างทนต่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระไม่มีการมารวมไม่ร่วมหลับนอนร่วมกันค่ะหนูหนูก็หนูก็ไม่มีค่ะแต่บางทีแฟนเขาก็จะมานี้ที่วัดหลวงพ่อตัดไปเลยแล้วบางทีอะค่ะแต่ทางหนูก็เป็นอสุภาไปหมดอยากภาวนาอยากคือสิ่งเข้าวัดนี้ไปเลยอะค่ะพระอาจารย์ เนีย่ยเห็นเห็นเขาก็จะเบื่อเราเป็นเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นซากศพไปจะเหม็นไปเลยอะคะ่ะพระอาจารย์จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาไหมไม่เหงาค่ะพระอาจารย์มีความสุขได้ไมาภาวนาค่ะออยู่กับตัวเองมีความสุขภาวนาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาอะไรก่ะ ก็ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะถามพระอาจารย์แล้วค่ะก็ต้องลาตรงนี้อะไรที่พระอาจารย์บอกเนาะคะนััธยมศสตร์พระอาจารย์ครับคือสมมติว่าถ้าเราเรานั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆจนเกิดทุกขเวทนาครับอาจารย์แต่ทุกขเวทนาตอนเนี้ยผมสามารถผ่านมันด้วยเหมือนกับเหมือนกับทนให้มันชาไปเองครับแต่ว่าเราก็เหมือนกับมีจิตตามให้ปัญญาอยู่ว่ามัน มันมันเป็นวิภาวะตัณหานะเราเราควรจะไม่ควรจะไปอยากให้มันให้มันหายแต่มันผมคิดว่ามันมั่วๆกันอยู่เนี่ยครับระหว่างเวลามันเจ็บมากๆกับกับปัญญาตรงเนี้ยผมควรจะทําอย่างไรดีครับคือไม่ควรทนนั่งนานๆควรจะกลับไปเจริญสติให้มันให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยค่อยกลับมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนหรือว่าทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอาจารย์ คือนั่งเพื่อที่จะให้เราไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บปวดคือจิตใจปล่อยวางเฉยเคำว่าทนก็แสดงว่าเรายังมีความาไม่ต้องการมันอยู่ถึงต้องทนอยู่กับมันแต่ถ้าเราไม่มีความไม่ต้องการมันมันจะอยู่หรือมันจะไปเราไม่เดือดร้อนอต้องให้มันเป็นแบบนั้น คือให้ใจเราเป็นกลางวางเฉยสักแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นเหมือนสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสรับรู้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดนออกถ้าเรามีความอยากแม้แต่ฝนตกแดนออกนี้ก็ทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดความไม่สบายใจได้เช่นเดียวกับเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายถ้าเรายังมี อารมณ์อยู่มีความอยากอยู่มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจกับมันแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์เราวางเฉยได้เราพิจารณาและยามรับเขาได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ไดเ้เราต้องอยู่กับเขา เ, เราก็อยู่แบบก็อยู่กันต่างฝ่ายต่างอยู่กันไป ถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ใจก็จะเฉยเวทนาก็ยังมีอยู่แต่จะไม่รู้สึกว่าจะต้องทนอยู่กับเขาอยู่กันไปใจไม่ไม่ลมาคาญไม่วุ่นวายไปกับเขาอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆพิจนารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยาก ของเราเองอยากจะให้เขาหายไปเรนเราต้องพิจารณาสอนใจว่าเราให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายไปกับเขาเราก็ต้องปล่อยวางให้เขาอยู่ตามเรื่องของเขาไปเรามีหน้าที่รู้เราก็รู้ไปเขามีหน้าที่สแสดงความเจ็บป่วยก็ปล่อยเขาสแสดงไป เหมเราเป็นคนดูภาพยนตร์เราจะดูแบบเตืมเต้นหวาดเสียวไปกับภาพยนตร์ก็ได้หรือเราจะดูแบบรู้ว่ามันเป็นเพียงภาพยนตร์ดูแล้วไม่มีความรู้สึกมีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งจิตเราไว้ตรงจุดไหนถ้าถ้าตั้งไว้ตรงจิตผู้รู้สักแต่ว่ารู้มันก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารูแต่ถ้าไปตั้งอยู่กับอารมณ์ ไปมีความยินดีมีความยินร้อยกับสิ่งที่เราดูมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาสิ่งที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่นานๆเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดความอยากใจมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความปนป่วนขึ้นมามนเวลาต้องการระ ง, งับตัวความอยากนี้เราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็น ปรากฏการของทางธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศหรือหือหรือเ ห, อหอมือนกับเสียงต่างๆที่เราได้ยินถ้าเราไม่มีอารมณ์กับเสียงต่างๆเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปไม่ชอบเสียงนั้นเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากจะกำจัดเสียงนั้นเังน้เราก็ต้องคล้ายๆใช้การเปรียบเทียบดูเวลาที่เราไม่มีอารมณ์กับอะไร เรามาเอาความรู้สึกนั้นมาใช้กับความเจ็บที่เรากําลังมีอยู่นี้ให้เรามีขวามเป็นกลางกับอารมกับความเจ็บนี้ไม่มีอารมณ์กับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะมีก็มีไปถ้ามันยังไม่ยอมเป็นกลางเราอาจจะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้คือสอนมันแล้วรู้แล้วว่าเราต้องอยู่กับมันแต่ยังไม่ยอมอยู่เราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไป คืออย่าไปให้ความสัมพันธ์ความสำคัญกับเวทนาความเจ็บแล้วอย่าเปิดโอกาสให้เกิดตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปนับหนึ่งสองสามไปจนกว่ามันจะขาดใจถ้ามันขาดใจเมื่อไหร่ใจมันก็จะหยุดหยุดต่อต้านหยุดสร้างความอยากขึ้นมาแล้วมันก็จะเฉยได้ มันก็อาจจะต้องใช้สติช่วยด้วยถ้าปัญญาสอนแล้วมันยังไม่ยอมรับก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปช่วยไปแต่อย่าไปนั่งทนอยู่เฉยๆนั่นก็คือเป็นเป็นเหมือนกับอจินต่าไม้ปัญญาไว้กอนเบื้องต้นแล้วก็เมื่อสมมติถ้าเราผ่านตรงนี้บ้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาอบรมสมาธิทําให้เราสมาธิ ลืกขึ้นไปอีกอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมันยังไม่ได้อับปนานแน่ๆครับมันมันมันนั่งแป๊บเดียวมันก็ปวดอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ถ้ามันผ่านเวทนาได้จิตมันก็จะรวมได้ครับปล่อยวางได้มันก็จะรวมเป็นอับปนาได้ก็คือว่าผมก็สรุปว่าก็นั่งทนไปแต่ว่าเรามามีสติมากขึ้นคือมาบริกรรมแทนที่จะไปนั่งทนหรือว่าไปพิจารณาปัญญาที่มันไม่มันมันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องใช้สติสติก่อนแล้วก็ ไม่ต้องไปเปลี่ยนยถยบทสู้มันต่ อ, ตอจนกว่ามันจะร ว, วมแล้วก็กลายเป็นสมาธิระ ด, ดับที่สูงขึ้นพอเรามีเรามีอุเบคาแล้วต่อไปมันก็จะเชื่อทางปัญญาได้ mm hmm. พอปัญญาบอกว่าอย่าทํามันก็จะไม่ทําได้คเพราะไม่เห็นประโยชน์จากการไม่ทําตามความอยากว่ามันสบายเวลาทําตามความอยากแล้วมันจะทุกข์ครั บ, mm hmm. รบอีกข้อหนึ่งครับพระอาจารย์ mm hmm. สมมุติว่าถ้าเรามีปัญหา บิดาเราเสียชีวิตไงพระอาจารย์เวลาเราเจริญปัญญาเราควรเจริญปัญญาอริยสัจสีในในเรื่องของว่าบุคคลหรือบิดาของเราเนี่ยก็เป็นเป็นบุคคลเนี่ยเราไม่ควรจะมีวิภาวะตันหาไม่ให้เขาไม่ตายหรือจะเป็นในลักษณะของว่าเมื่อมีสัญญาความคิดว่าบิดาแล้วภาพบิดาเราขึ้นมาพวัวเราเห็นมันปุ๊บความคิดดับเราเห็นว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เรา ปัญญามันควรจะเป็นแบบไหนครับปัญญาอริยสัจสีในในในเรื่องของรูปประคันของพ่อหรือว่าเป็นสัญญาขันของเราครับอาจารย์ควรจะทํำมาไหนก่อนและไหนหลังปัญหาเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ร่างกายของพ่อไม่ใช่เหรอใช่เราก็ต้องพิจารณาร่างกายของพ่อไม่ใช่เป็นพ่อเลยเป็นแค่อาการสาสิบสองเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่เป็นตัวพ่อตัวพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์พ่อเป็นเหมือนคนขับรถ รถเสียรถพังแต่คนขับไม่ได้เสียคนขับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ไปเปลี่ยนรถใหม่เท่านั้นเองทําพิจารณาว่าร่างกายมันเพลงอาการสามสิบสองดินน้ําลมไฟอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับบ้านอของทุกอย่างจะต้องเสื่อมแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในรถยนต์อยู่ในบ้านไม่ได้เสื่อมไปกับบ้านหรือรถยนต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราคิดตรงนี้ไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเรามีสัญญาใน ใ, ในในความคิดถึงหน้าบิดาของเรามันมันจะน้อยลงใช่ไหมเพราะเราเราได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็หน้าของาบิดานี้เราไปหลงคิดว่าเป็นบิดาใช่ใชจริงๆมันเป็นหนังหุ้มกระโหลกศีรษะแต่เราไม่เห็นเราต้องไปจาะหนาว่ามันเป็นเพียงกระโหลกศีรษะหุ้มด้วยหนังติดด้วยผมเติดด้วยคิ้วเท่นั้นเอง เวลามันตายไปมันก็เสื่อมสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปตัวพ่อมไม่มีนในร่างกายตัวพ่อเป็นเพียงแต่ผู้มาสั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายยิ้มให้ร่างกายหน้าเบี้ยวหน้าบุญร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาพ่อเป็นเหมือนผู้ที่ชักใ ย, ยตุ๊กตาครับเหมือนสมมติถ้ า, ถาเราถ้าเราละสักยะที่ถีได้พระอาจารย์เราเราไม่กลัวเจ็บ เราไม่กลัวตายเราไปอยู่ในที่หน้ากลัวได้สบายๆเนะี่ยตรงนี้มันมันเป็นแค่การละรูปขันแต่ส่วนเทุกเวทนาหรือเวทนาทางใจสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยที่ที่เราเห็นว่าไม่ใช่เราคืออะไรก็รับเวทนาความเจ็บของร่างกายเขาเวทนาเนี่ยครับเราสัญญาสังขารวิญญาณนะสัญญาสังขารเราไม่ต้องละเพียงแต่เราเปลี่ยนให้มันคิดไปในทางตามความเป็นจริงสัญญาของเราตอนนี้มันหนงไปจําผิดไปจําว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็มาแก้ด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราสังขารเราก็เมื่อก่อนปรุงไปในทางความอยากเราก็เปลี่ยนมาให้เป็นปรุงไปในทางความไม่อยาก ม, มันก็แก้ไปในตัวโดยอัตโนมัติครับขอบพระคุณมากครับคำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการคิดแสดงว่ามีเจตนาทำให้เกิดเป็นมนโนกรรมใช่ไหมคะ แต่มีหลายครั้งที่มันเป็นลักษณะของการนึกขึ้นมาเองไม่มีเจตนาแต่มันก็บังคับไม่ได้เช่นเป็นอกุสลที่ผุดขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาแบบนี้จะทำอย่างไรดีคะเหมือนมีมานในจิตกลัวบาปค่ ะ, ะเราก็ต้องพิจารณาความคิดมันเป็นสังขารสัญญามันก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็โผล่ขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ทันมันแล้วอย่าไปหลงถ้าเป็นความคิดอกุศลเราก็อย่าไปทำตามมันละมันเสียถ้าเราละต่อไปความคิดอกุศลต่างๆมันก็จะหยุดมันก็จะหายไปถ้าเราทำตามมันมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ให้รู้ทันมันจะรู้ทันมันก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิ พราะถ้ามีสติมีสมาธิใจก็จะมองเข้ามาข้างในแทนที่จะมองออกไปข้างนอกเวลาเกิดกุศลหรืออกุศลขึ้ น, นมาก็จะรู้ทันถ้าเกิดอกุศลก็อย่าไปสนใจถ้าเกิดกุศ ล, ก, ก, ก, ก, ศลก็ทําไปเชคิดจะทําบุญก็ทําไปคิดจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวต่อไปความคิดอยากจะไปเที่ยวมันก็หายไปเองมันก็จะคิดแต่จะทําบุญ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามจากการที่มาช่วยงานวัดในตอนเช้าในศาลาฉันจนพอรู้ขนบธรรมเนียมการปฏิบัติพอสมควรคือรู้อะไรควรไม่ควร แต่มาวันหนึ่งมีลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านฟังเทศฟังธรรมมาเป็นเวลานานานับสิบปีแต่นานๆจะมาที่ศาลาฉันพอมาแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการมาชี้นิ้วสั่งให้เป็นไปตามใจหรือเป็นไปตามที่เธอคนนั้นคิด พอไม่ได้ดังใจก็ใช้ทั้งสายตาและคำพูดต่อว่าคนที่ช่วยงานอยู่เป็นประจำหาว่าไม่รู้เรื่องทั้งที่ทำกันอยู่ทุกวันแม้ทุกคนจะใช้ขันตีอดทนอดกลั้นไม่โต้อตอบกับสายตาและคาพูดและการเจ้ากี้เจ้าการของเธอคนนั้นแต่ยังวางใจเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ขอเมตตาอุบายวางใจจากหลวงพ่อหากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก เวลาเราเจอสุนัขเหา่าเราไปทำอะไรกับมันได้แล้วมันจะเหา่หาเราห้ามมันได้บ้า็มองว่าเป็นสุนัข ก, ก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจคาถามต่อไปจากคุณนิชาภาโยมกราบเรียนถามเรื่องอุปกิเลสิบหกโยมสำรวจตนเองแล้วยังเหลืออยู่สี่ตัวคือความตีเสมอความโอ้อวดความแข่งดี ความถือตัวโยมสังเกตตนเองว่าตนเองมีกิเลสแบบนี้โผลมาเสมอเสมอเห็นทันแต่มักหยุดไม่ทันโยมกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอุปกิเลสสีตัวนี้จะบรรเทาเวาว บ, บางลงด้วยวิธีการใดเจ้าคะก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้นะนะ คำถามต่อไปจากคุณสารทันการที่จิตมีความสุขบนความว่างกับการที่จิตมีอุเบกขากับสิ่งต่างๆที่มากระทบมีความหมายเหมือนหรือต่างกันครับเหมือนกันนะความว่าโอุเบกขามักจะอยู่ร่วมกันนะคําถามต่อไปจากคุณกระโหนพรพระโสดาบันบุคคลที่ได้ญาณแปดและบุคคลธรรมดา สามารถเข้านิโรธสมาบาัตได้ไหมคะหรือมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นหรือไม่คะที่เข้าได้คือนิโรธสมาบัตินี่มันเป็นเรื่องของสมาธิคนที่ไม่เป็นโสดาบันก็เข้าได้ถ้ามีสติที่กำลังมากสามารถที่จะควบคุมสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้ทำงานได้จิตก็เข้าสู่นิโรธสมาบัตได้ แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคอริยผลนะอริยมรรคนี้เรื่องของปัญญาตัดปัญหาความอยากที่ทําให้ไปผักดันการทํางานของสัญญาสังขารมันก็ต่างกันนิโรธของพระสโสดาบันนี้ไม่ใช่เป็นนิโรธสมาบัติเป็นนิโรธที่คือการดับความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาความอยาก นิโรธสมาบัตินี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีสติแก่กล้าสามารถเข้านิโรธสมาบัติบางคนอยู่ได้ทีห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันอันนี้เป็นเรื่องของสติเรื่องของสมาธิจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่เหมือนกันคนต่เรื่องนิโรธสมาบัตินี้ยังไม่ได้ทำลายตัณหาความอยากออกจากนิโรธสมาบัติมาก็เป็นจิตก็กลับมาเต็มไปด้วยตัณหาความอยาก อจิตของพระโสดาบันนี้ถ้าระงับดับตั้หาความอยากระดับของโสดาบันได้แล้วก็จะจะหายไปจะไม่มีวันกลับคืนมาจะเข้าไปในสมาธิหรือไม่เข้าไปในสมาธิอความอยากเหล่านั้นก็จะไม่ผุดขึ้นมายังไม่เหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณสีวัน โยมร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดวัดและทอดผ้าป่าโดยไม่ทราบว่าทางกลุ่มผู้จัดไปตกลง ก, กับทางวัดไว้ว่าเขาจะพาจิตอาสามาปรับปรุงพื้นที่วัดและทอดผ้าป่าเงินทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเอาไปเข้ากลุ่ม ในงานมีเงินเหลือแ0ดหมื่นกว่าเขาเอากลับกรุงเทพจะเอาไปทำบุญที่อื่นโยมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่วัดนี้แทบจะเป็นวัดร้างยังต้องการปรับปรุงอีกมากเขาดูถูกแรงอธิษฐานของคนจำนวนมากเขาจะได้บุญไหมคะกับเงิน8000 80, 0ื่นกว่าบาทที่เอาไปทำที่อย่างอื่นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในเบื้องต้นว่าเงินทาบุญที่ได้มานี้จะเอาไปใช้ในทางไหน ถ้ า, าไปใช้ผิดกับข้อตกลงก็ถือว่ า, าทำไม่ทำทำไม่ได้ทําตามจุดประสงค์ของผู้ที่บริจาคก็อาจจะเป็นการหลอกลวงก็ไดอ้อาจจะถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการลักทรัพย์ก็ได้ส่วนเงินที่จะไปทําบุญที่ไหนมันก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นแหละแต่บาปที่มันเกิดขึ้นจากการหลอกลวงจากการลักทรัพย์มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าทําแบบผิดประเภท คำถามต่อไปจากคุณตู่หากเราทําสมาธิและภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆจนจิตสงบและรู้สึกคล้ายกับว่าไม่หายใจรู้สึกสงบนิ่งแม้แต่คําภาวนาพุโทโธก็หายไปเองเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีครับก็ให้มันนิ่งใจสติประครับครองไปถ้ามันลงเมื่อก่อนนั้นได้ก็มันก็จะลงถ้ามันไม่ลงก็อยู่อย่างนั้นไปแสดงว่ากําลังของสติเรา มีไม่พอที่จะมันให้มันรวมแต่มันก็เนิ่งก็ปล่อยมันเนิ่งไปจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็ถ้าต้องการจะนั่งต่อก็จเจริญสติต่อพุทธโธพุทธโธใหม่เพื่อบางทีมันจะลงเข้าไปรึกกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บริกรรมพุทธโธไปถ้าผ่านได้มันก็จะรวมได้ถ้าไม่ไหวหมดแรง บริกรรมพุทโธก็จะขยับเท้าขยับแข้งขยับขาเปลี่ยนอิระยาบุตก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเจรินสติใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมานั่งใหม่แต่ถ้าเราคิดว่าเอเบื่อกับการที่จะต้องไปลุกแล้วกลับมานั่งใหม่ก็นั่งต่อไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปให้มันตายกันไปสักข้างหนึ่งพุทโธต่อไปจนกวรามันจะหมดแรงให้มันล้มฟุบอยู่ตรงนั้น ก็ต้องพยายามเพียนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าเคยสลบสลายถึงสามครั้งไหมการภาวน า, าก็ต้องมีความเพี่ยนพยายามไปเรื่อยๆถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาจเจริญสติต่อหรือว่าจะมาหัดจเจริญปัญญาบ้างก็ได้พิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองมาจากดินน้ำลมไฟ เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราต้องไม่ไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็สอนไปอย่างนี้สอนไปรับซ้ําเล่าซ้ําอีกสอนไปบ่อยๆให้มันจําให้ได้เพราะมันจะไม่ค่อยจํำพอมันเจอพอมันเผลอปั๊บมันจะไปอยากทันทีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทันทีถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่แสดงว่าปัญญาเรายังไม่ไม่พอยัง ยังสอนมันไม่พอมันยังลืมอยู่ถ้ามันไม่ลืมถ้าทุกครั้งเห็นร่างกายแล้วบอกอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ก็สแสดงว่าใช้ได้ถ้ายังกลัวอยู่ยังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่สแสดงว่าลืมไปหรือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องพิจารณาไปหรือถ้าพิจารณาไม่เป็นก็พุทโธพุทโธไปก่อนฝึกสร้างสติขึ้นมาเพื่อทําใจให้สงบไปก่อน <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณเชอรี่ เคยถามพี่ๆที่เขาอยู่วัดกันว่า ถ้าเราต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอุปถากทํากักบข้าวถวายพระอยู่ตลอดแบบไม่ต้องทํางานแล้วเราต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่เพื่อที่จะพร้อมและอยู่อย่างไม่ลําบากและสามารถทําบุญด้วยได้เขาตอบว่าต้องมีสิบล้านถึงจะอยู่ได้แบบสบายไม่เป็นภาระใครและอยากร่วมทําบุญกับเรื่องต่างๆได้สบายอขอพระอาจารย์ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยว่าใช่หรือไม่ ค <Huh? S 2> ไม่ใช่หรอกถ้าอยากจะเข้าวัดนี่ต้องเข้าไปเพื่อภาวนาอย่างเดียวถ้ายังอยากจะทําบุญอยู่ก็อยู่บ้านไปก่อนอเพราะว่าการเข้าวัดจริงๆนี่ต้องการให้ไปภาวนาแล้วก็ไปกินข้าววัดไปอาจจะไปรับใช้วัดช่วยทํางานวัดบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนค่าที่อยู่ค่าน้ําค่าไฟหรือ ค่าอาหารอะไรอย่างนี้แต่ที่ที่ให้ทําอย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับงานเหล่านี้ต้องการให้งานภายนอกนี้ให้มันมีน้อยที่สุดเพราะถ้าเราเข้าวัดนี้เป้าหมายหลักของเราต้องการภาวนาต้องการทําใจให้สงบเหมือนกับพระเนี่ยเวลาพระเข้าวัดท่านก็ละทรัพย์สมบัติแล้วท่านก็ไม่มากังวลกับเรื่องมาทํากับข้าวถวายพระหรือไปทำผ้าป่าทําอะไร ผู้ที่จะเข้าวัดเพื่อภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องกับการเตรียมกับข้าวถวายข้าวให้กับพระทุกเช้าทุกเย็นอะไร น, นอกจากว่าเรามีทรัพย์เหลือเฟือแล้วเราอยากจะทำก็สั่งคนอื่นทำให้เราก็ได้เราสั่งเขาแล้วกปเขาไปถวายพระเองตัวเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิของเราไปอันนี้ก็ทำได้ถ้าถาอยู่ในฐานะที่มีปัจจัยมีอะไรมาก คือที่ถามว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่อัจริงไม่ต้องมีเลยก็ได้ไปอยู่แบบแจวว่าไปอยู่ในวัดแบบแจวไปรับใช้วัดไปช่วยทํางานบ้างบางวัดนี้ท่านก็เมตตาไม่ให้ทํางานก็ได้ให้ไปอยู่แล้วก็ไปภาวนากินข้าววัดตามาตามบุญตามกรรมเหลือจากพระมาพระก็แบ่งมาให้กินกันไปอย่างที่นี่บนเขาก็มีพวก ผู้ชายที่มาขออยู่ภาวนาเป็นพักๆตอนเช้าเขาก็ไปช่วยพระเดินมินทบาทที่อยู่ข้าวที่ยของพระก็แบ่งของที่ได้มาจากบินทบาทให้เขากินกันเขาก็กินกันเช่นนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่บบกใส่บาตรหรืออะไรเขาทำหน้าที่ภาวนาเป็นหลักอันนี้คือคือเป้าหมายจริงของการเข้าวัดเข้าไปเพื่อภาวนาไม่ได้เข้าไปเพื่อจะไปอุปถาพระไปทากับโค้งกับข้าว ไปอะไรอย่างนั้นอันนั้นแสดงว่าเข้าวัดยังไม่ถึงวัดนะถ้าจะเข้าให้ถึงวัดต้องไปภาวนาถ้าจะไปทำบุญแบบ น, นั้นไปเช้าเย็นกลับก็ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดให้เสียเวลาใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ต้องมีเงินเยอะถึงจะถึงจะทำได้แต่ถ้าแบบมีเงินน้อยไม่มีเงินเลยก็ต้องทำแบบพระพระเวลาบวชท่านก็ไม่มีเงิน ทัานก็อาศัยการบินธบพูดที่เป็นฆราวาสญาติโยมก็ต้องอาศัยอาหารที่เหลือจากการบินธบของพระเป็นเป็นเครื่องอย่างชีพไปแต่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องมาทําบุญแต่ทีนี้มันมีปัญหาทางสังคมเพราะว่าคนที่มาอยู่วัดบางคนเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อปฏิบตัติเขามาอยู่เพื่อทําบุญพอคนที่ปฏิบัติไม่ได้ทําบุญก็อาจจะถูกถูกตําหนิจุก ถูกว่ากล่าวหาว่ามาอาศัยวัดกินอันนี้เขาไม่เข้าใจว่าที่เขาอาศัยวัดกินเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาทํามาหากินมามาเลี้ยงพระเขาก็ทํางานอย่างอื่นเท่าที่ควรจะทําเช่นอาจจะไปช่วยงานในโรงครัวบ้างช่วยทําความสะอาดอะไรอย่างนี้แต่ก็มีมีขอบเขตมีเวลาเช่นตอนเช้ามารับประทานอาหารเสร็จก็ช่วยกัน ทำความสะอาดนั่งถ้วยนั่งชามหรือทำอะไรพอเสร็จแล้วก็กลับไปที่ของตัวเองไปภาวนาต่อถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีเงินมากก็ก็ไปอยู่วัดได้แต่ก็ต้องไปหาวัดที่เป็นแบบนี้ถ้าไปเจอวัดที่มีคนเข้าไปทำบุญเยอะๆแล้วเราไม่ได้ทำบุญเ้าอาจจะถูกเขาเพ่งเล่งได้แล้วเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดจใจอาจจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่วัดที่ท่านส่งเสริมการภาวนา ถ้านเน้นเรื่องการทำบุญให้ทานอันนั้นก็คงจะไม่เป็นปัญหาต้องไปอยู่วัดเล็กๆวัดคนน้อยๆวัดที่กันดาเนี่างนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาจะได้มีเวลาภาวนาได้เ้วก็ไม่ต้องมีเงินสะสมไม่มากเดีย๋ยวมีเงินมากมันก็จะมาเป็นตัวปัญหาให้เราต้องคอยวุ่นวายกับการไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาจะภาวนาก็ไม่มี แต่มาอยู่บ้านตากบางทีก็มีญาติโยมที่เขามาภาวนาแต่เขาจะมาเน้นเรื่องการถวายข้าวของให้กับพระซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาถวายพระวุ่นไปหมดตัวเองไม่ค่อยได้ภาวนาเขาคิดว่าบุญอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะก็ยังภาวนาไม่เป็นแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วนี่จะเอาแต่เรื่องภาวนาเป็นหลักเรื่องทานนี้ก็แล้วแต่ฐานะแล้วแต่ความมีของตน มีทำได้ก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องกังวลบุญที่ได้จากการภาวนานี่มากกว่าบุญที่ได้จากการทาทานเป็นหลายร้อยเท่าไม่ต้องไปกังวลถ้าเราภาวนาเป็นนะบุญที่ได้จากการทาทานมันสู้ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณทิพวรนความอยากทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีความอยากแต่ไม่เป็นทุกข์ คือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเช่นนี้จะเรียกว่าความอยากหรือไม่คะก็ยังอยากอ ย, กอยู่ไม่ใช่ไหมเมื่อเราจะรู้ไงว่าเราไม่ทุกเวลาัไม่ได้ดังใจก็ไม่น่าถ้าถ้าไม่ทุกก็ไม่เป็นไรทาให้ทุกข์ก็แล้วไปคําถามต่อไปจากคุณนิกกี้ ทุกวันนี้พยายามท่องพุทโธให้ได้มากที่สุดบางครั้งเผลอแต่พอรู้ตัวก็จะเริ่มท่องใหม่แต่ยิ่งท่องยิ่งไม่มีสติรู้สึกว่าใจไปจดจ่อกับการท่องจนบางครั้งลืมหน้าลืมหลังเช่นท่องท่องไปแล้วจะเดินไปหยิบของพอเดินไปถึงก็ลืมว่าเดินมาหยิบอะไรเป็นแบบนี้บ่อยๆเรียนถามว่าทําผิดวิธีไหมคะก็ต้อง ถือการกระทำเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งของสติเป็นหลักเช่นเรากำลังจะไปทำอะไรเราก็ต้องมีสติอยู่กับการกระทาของเราแต่นั้นขณะที่เราเดินไปทำถ้าเกิดมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทธโธช่วยดึงมันไว้อย่าให้มันไปคิดแต่เราก็ต้องมีสติอยู่กับการทำงานของเราไม่ใช่มีแต่พุทธโธแล้วทำงานแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีสติ ถ้าอย่างไงก็ต้องตั้งนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วก็ให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปอย่างนี้ก็จะทำได้แต่ถ้ากำลังทำงานอยู่แล้วพุโทโธด้วยก็ต้องดูงานเป็นหลักแล้วพุโทโธเป็นรองพุโทโธมาช่วยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณออยโยมนั่งสมาธิประมาณสองชั่วโมงรู้สึกนิ่งดี ออกจากสมาธินั่งพิจารณาร่างกายที่ว่าไม่ใช่ของเราพอเอาจิตไว้กลางอกเหมือนตัวใหญ่หนักมากแต่ใจก็กำหนดอยู่ที่กลางอกสักพักเลยออกไม่พิจารณาอย่างนี้แสดงว่าจิตเรายังมีกําลังไม่พอที่จะพิจารณาใช่ไหมคะถ้าพิจารณาก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแต่อย่าไปอยู่ที่กลางอกก็ต้องไปดูที่ร่างกายที่เราทำพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นอย่างไร มันแกน่มันเจ็บมันตายมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรไม่ต้องไปกัวงวลกับเรื่องจิตว่าจะอยู่ตรงไหนเวลาเราพิจารณานี้เราต้องการเห็นความจรงิงให้ดูความจริงที่เรากําลังต้องการจะเห็นเหมือนกับการที่เร า, เ, าเรียนหนังสือวิธรรมอะไรนี้เราก็ต้องจดจ่ออยู่กับหนังสือที่เราอ่านเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรากําลังอ่านอะไรอยู่ ไม่ใช่อ่านไปแล้วมาจดจ่อดูว่าจิตเราตั้งอยู่กลางอกอนี้มันก็ไม่ใช่ให้ให้อยู่กับงานที่เราทำถ้าเราต้องการปัญญาก็ต้องดูสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรอ่มันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเร า, เาให้ดูศึกษามันไปคำถามต่อไปจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาข้าขอแรก เวลาไปกราบคูบาอาจารย์ความคิดมันชอบโผล่ไปคิดในทางที่ไม่ดีกับองค์ท่านสงสัยในองค์ท่านแต่ลึกๆในใจเรานั้นไม่มีเจตนาที่จะคิดอกุศลกับท่านเลยแต่พอความคิดไม่ดีโผล่ขึ้นมาทำให้เราไม่สบายใจเราควรวางใจและแก้ไขอย่างไรดีครับก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดนั่นก็ล้ ก, กันที่ว่ามันเป็น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตา เราไปบังคับมันไม่ได้ในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจกับครูบาอาจารย์ต่างๆมันก็เลยมีความคิดที่ไม่ดีนั่งเลยสงสัยได้วิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องอปฏิบัติแล้วก็ศึกษาจากพระที่เราเข้าไปกราบไหว้จนกว่าเราจะเห็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง ความลังเลยหรือความคิดต่างๆที่ไม่ดีมันก็จะหายไปเองแต่ถ้ามันยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองความจริงเป็นยังไงเราต้องพิสูจน์ดูอีกทีหนึ่งข้อที่สอง ครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าง่วงให้เดินจงกรมแต่บางทีเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วไปเดินจงกรมพอเดินไปสักพักความง่วงก็เริ่มเข้ามาแล้วเป็นความง่วงชนิดที่ว่าอิรยาบดเดินไม่สามารถช่วยให้หายง่วงได้เลยบางครั้งเดินไปชนประตูหรือทาหรือเดินตกทางผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับก็ควรที่จะผ่อนอาหารหรือ อดอาหารถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่หน่ากลัวดูไปอยู่ที่ป่าช้ามันจะไม่ง่วงมันความกลัวมันจะทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเลือกเอาว่าระหว่างไปอยู่ที่ป่าช้ากับการอดอาหารอันไหนมันจะดีกว่ากันคำถามต่อไปจากคุณสุรชัย ผมนั่งสมาธิภาวนาครั้งแรกในชีวิตด้วยการกำหนดอาณาปณสติและคำบริกรรมพุโทโธกำกับลมหายใจเข้าออกพอลมเข้าออกจะเริ่มสั้นเข้าสั้นเข้าแต่คำบริกรรมพุโทโธกลับหายไป ผมก็ดูลมไปเรื่อยๆพอลมสั้นเข้าสั้นเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมของผมมาหมดที่ปลายจมูกจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มีแสงจ้าและสว่างสวยัยพร้อมกับลมที่หมดลง ความเป็นตัวตนไม่มีเลยในความรู้สึกมีแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวพอผมดูไปเรื่อยๆความกลัวว่าจะหลงเข้าไปในแสงสว่างนั้นพออาการกลัวเกิดขึ้นมาแสงนั้นก็ดับลงและความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกก็กลับมาจนกระทั่งลมเข้าออกยาวเป็นปกติคำถามข้อแรกการปฏิบัติของผมมาถูกทางแล้วหรือไม่ครับ ก็น่าจะถูกเพียงแต่ว่าผลมันยังอาจจะไม่ได้ม่ได้เป็นที่พอใจควรจะให้จิตรวมแล้วนิ่งสงบให้ว่าถ้ายังมีอะไรอยู่ก็ต้องใช้สติคอยควบคุมอย่าให้ใจเตลิดเปิดเปลืงไปตามสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เช่นเกิดความกลัวอะไรต่างๆขึ้นมาให้สักแต่รุว่ารู้หรือใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตา ไม่ต้องไปสนใจให้ใช้สติประครับประคองจิตให้รู้ไปเฉยๆแล้วก็พยายามภรวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบนิ่งสบายไม่มีอะไรให้มารับรู้ข้อที่สองผมจะสามารถฝึกให้พัฒนาก้าวต่อไปยิ่งกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรครับก็ต้องเจริญสติให้มากเวลาออกจากสมาธิมาก็หมั่นเจริญสติต่อไป พยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่งไปตามเรื่องราวต่างๆจะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับการทำงานของร่างกายก็ได้แล้วพอมีเวลาวา่างก็มานั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าสติมีกำลังมากมันก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้จะไม่ต้องมารับรู้กับแสงหรือเสียงหรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะเกิดปรากฏขึ้นมาได้ เวลาปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปให้ความสำคัญถ้าเรายังอยู่กับลมได้ก็อยู่กับลมไปเราบริกรรมได้ก็บริกรรมไปหรือเราพิจารณาได้ก็พิจารณาไปว่ามันเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปให้ความสนใจอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันไปถ้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองหมดแล้ ว, ลวโอเคมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหม